ตอนที่สี่ยาขมคือยารักษาโรคนี่คือเรื่องของหลักการไม่ใช่ความผิดของเด็กบ้านผมผมจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิน้นเจ้งอวิ๋งชงแสดงท่าทีเด็ดเดี่ยวในเรื่องนี้ไม่มีที่ว่างสําหรับการต่อรองผิดก็คือผิดถูกก็คือถูกหากไม่ผิดก็ไม่จําเป็นต้องรับผิดชอบเพราะทันทีที่ยอมรับผิดนั่นหมายความว่าเด็กเป็นฝ่ายผิดคุณนี่นะผู้บัญชาการกองคนมองท่าทางด้วยรันของเขาแล้วรู้สึกว่าเหมือนกับท่านผู้เฒ่าเจอไม่มีผิดพี้ยนเมื่อเห็นว่าเกลี้ยกล่อมไม่สําเร็จเขาจึงถอนหายใจออกมาอย่างจนใจ ในเมื่อคุณรู้ทุกอย่างอยู่แล้วก็จัดการเองแล้วกันทำถูกแล้วท่านผู้เทาเจิงแค้นเสียงหึพวกนั้นคี้จรังแกเด็กบ้านเราแต่ดันสู้ไม่ได้แล้วยังจะมาหาว่าเป็นความผิดของเด็กบ้านเราอีกเหรอถ้าเก่งนักก็วอยไวต่อไปเถอะฉันอยากจะรู้นักว่าพวกมันจะดิ้นรนหาลูกไม้ใหม่ๆอะไรมาเล่นอีตกลงครับเรื่องนี้ผมจะไม่ยุ่งแล้วท่านผู้เทาก็ดูแลสุขภาพให้ดีเถอะครับนั่นคือสิ่งที่สําคัญที่สุดวางใจเถื่อย่าไม่ตายง่งายๆหรอกอย่าพูดเรื่องความเป็นความตายเลยครับมันอับประมงคน ฮึๆถ้าฉันกลัวเรื่องอัปมงคลป่านนี้คงหัวใจวายตายไปนานแล้วท่านผู้เท่าเจิงสมัยหนุ่มๆในกองทัพนั้นมีชื่อเสียงด่งดังในฉายาพยายมเดินดินเรื่องเข็นค่าในสนามรบถือเป็นเรื่องปกติธรรมดาสำหรับเขาหลังจากผู้บัญชาการกองพลกลับไปหลีหวานก็ถือถ้วยที่บรรจุของเหลวสีดำทะมึนไม่ทราบชื่อเดินเข้ามาในห้องคุณปู่ขด่มนี่หน่อยข้มีประโยชน์ต่อร่างกายนะคะโอ้ ท่านผูเฒ่าเจิ้งเคยผ่านความยากลําบากมาสารพัดในปีก่อนๆตอนออกไปทําภารกิจข้างนอกแล้วหิวจนตาลายแม้แต่รากหญ้าหรือแมลงเขาก็เคยกินมาแล้วแต่ตอนนี้ไม่ได้กลิ่นสิ่งที่หลานสาวถือมาให้เพียงแค่ได้กลิ่นเขาก็รู้สึกได้ถึงความขมปีที่รุนแรงเหลือเกินนี่คืออะไรนะรอยเหี่ยวย่นบนใบหน้าของท่านผู้เฒ่าเจิ้งข ย, ยับมากองรวมกันด้วยความสงสยัยเป็นยาบำรุงที่ดีต่อร่างกายค้าความจริงแล้วมันคือยาที่หลีหวันนําสมุนไพรจากในมิติมาจัดเทียบยาและเคี่ยวให้ชายชารา มันมีประโยชน์ต่อร่างกายจริงๆนั่นแหละเพียงแต่ว่ารสชาติอาจจะไม่ค่อยโสภาเท่าไหร่นักทว่ายาขมมักเป็นยาดีและผลลัพธ์ของมันก็ยอดเยี่ยมมากคุณปู่คนนี้เป็นสูตรทื้นบ้านจากบ้านเกิดของหนูถ้าบำรุงร่างกายให้ดีต่อไปก็จะไม่เจ็บป่วยง่ายๆค่ะอออได้ๆหลานสาวกตัญญูขนาดนี้ดีกว่าหลานชายตัวเองไม่รู้กี่เท่าต่อให้สิ่งที่ยกมาให้จะไม่ใช่ยาบำรุงแต่เป็นยาพิษเขาก็จะดื่มเพื่อไม่ให้เสียน้ำใจและความกตัญญูของเด็กคนนี้ ท่านพูดเท่าเจิงยกชามขึ้นมาแล้วดื่มรวดเดียวจนหมดหยดสุดท้ายโดยไม่ลังเลเพราะหากลังเลแม้แต่วินาทีเดียวเขาคงได้พ่นสิ่งที่ดื่มเข้าไปออกมาแน่ๆรสขมแผ่ซ่านไปทั่วทั้งโพรงปากแม้แต่ในลําคอก็ยังขมขืนหลังจากดื่มเสร็จเขาก็ไม่กล้าอ้าปากพูดอยู่นานคุณปู่เก่งที่สุดเลยคะ่ะหลีหวานฉีกยิ้มกว้างพางหัวเราะต่อไปเราจะดื่มกันวันละชามนะคะต้องดื่มทุกวันเลยเหรอ ตอนนี้ท่านผู้เท่าเจิงขมจนลิ้นชาไปหมดพอได้ยินว่าต้องดื่มทุกวันวัลชามน้ำเสียงของเขาก็เต็มไปด้วยความไม่อยากจะเชื่อใช้ขยาจีนอ่อนโยนกว่ายาแผนปัจจุบันมากจะไม่ส่งผลข้างเคียงต่อร่างกายรุนแรงเกินไปแน่นอนว่าต้องดื่มทุกวันวัลชามพอร่างกายได้รับยาจนทัวถึงอาการป่วยก็จะหายไปเองค่ะลิวันอธิบายอย่างใจเย็นไม่ใช่หรอกปู่ไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นปู่แค่คิดว่าหลานจะลำบากเกินไปไม่ต้องดื่มทุกวันก็ได้ร่างกายปู่เป็นยังไงปู่รู้ดียังแข็งแรงดีอยู่ ท่านผู้เฒ่าเจิงพยายามแสดงออกอย่างอ้อมๆว่าเขาไม่อยากดื่มลีหวานสายหน้าและมีท่าทีจริงจังถ้าร่างกายคุณปู่แข็งแรงดีครั้งนี้ก็คงไม่เป็นลมหลอกค่าแม่แต่หมอก็ยังบอกว่าผู้สูงอายุจะมีปัญหาเรื่องหลอดเลือดเพราะฉะนั้นยิ่งต้องดื่มยาให้ดีคะ่ะพูดจบหลีหวานก็เสริมอีกประโยคคุณปู่วางใจเถอะขยันี้หนูเอาไปให้หมอที่โรงพยาบาลดูมาแล้วหมอบอกว่าคุณปู่ทานได้ไม่มีปัญหาคะ่ะเสี่ยหวานมีน้ำใจจริงๆ เจิ้งวินงฉงมองหลีหวันด้วยสายตาอ่อนโยนลูกสาวนี่ดีจริงๆเป็นเหมือนเสื้อโนมตัวน้อยที่แสนอบอุ่นของพ่อแม่คุณปู่ดีกับหนูหนูย่อมต้องดีกับคุณปู่สิคะหลีหวนันถือชามเปล่าเดินออกไปพร้อมกับปิดประตูให้เรียบร้อยท่านพูเท่าเจิ้งนึกถึงนามสกุลของหลีหวันขึ้นมาตอนนี้แกกับชิงผิงก็แต่งงานกันแล้วเมื่อไหร่จะเปลี่ยนนามสกุลของเสี่ยวหวันมาเป็นเจิง้งล่ะแน่นอนว่านามสกุลอะไรมันไม่สําคัญหรอกที่ฉันพิจารณาเป็นหลักคืออยากให้ทั้งแม่ทั้งลูกเขาสบายใจว่าพวกเราปปฏิิิบบบััััตกกกพวววเเเเขาเหมืออนนนน็คคครครรดียจงๆ เรื่องการเปลี่ยนนามสกุลให้เด็กนั้นไม่ได้ถูกยกขึ้นมาพูดพระกังวลว่าจะทําให้ลูกสะพ้ยเข้าใจผิดว่าพวกเขาไม่ยอมรับเด็กคนนี้เรื่องนี้ข้าปรึกษากับชิงถิงแล้วความเห็นของนางคือตอนนี้ยังไม่ต้องเปลี่ยนหากวันหน้าเสียวันอยากเปลี่ยนค่อยว่ากันตอนนั้นก็ยังไม่สายเจ้อาอวินชงเองก็เคยพิจารณาเรื่องนามสกุลมาก่อนแล้วอืมดีแล้วเรื่องนี้พวกเจ้าสองสามีภรรยาปรึกษากันเองก็พอข้าแค่เตือนขึ้นมาลอยๆเท่านั้น ผู้โทษเจิ้งกล่าวพลางยกมือตบไหล่เจิ้งอวินชงแล้วกำชับอย่างจริงจังว่าต้องจัดการเรื่องนี้ให้ดีอย่าให้เสียหวันต้องลำบากใจรับทราบครับเจิ้งอวินชงเห็นความเหนื่อยล้าบนใบหน้าของท่านผู้เท่าจึงลุกขึ้นเดินกลับเข้าห้องหลีชิงผิงกำลังนั่งเย็บเสื้อผ้าให้เขาอยู่ที่ข้างเตียงเขาเป็นคนเปลืองเสื้อผ้ามากปกติเวลาฝึกซ้อมเสื้อผ้ามักจะถูกเกี่ยวจนขาดอยู่บ่อยครั้ง ปกติเจ้าชุนฮัวเองก็ยุ่งจนไม่มีเวลาเย็บเสื้อผ้าให้เขาหากทนดูไม่ได้จริงๆรนางก็จะเอาไปเย็บส่งส่งเพียงไม่กี่เข็มเท่านั้นเจ้างวินฉงนั่งลงข้างกายหลีชิงผิงเฝ้ามองนางเงียบเงียบโดยไม่พูดอะไรที่แท้การมีภรรยาก็เป็นความรู้สึกเช่นนี้เองดีจริงๆวันนี้ท่านพ่อรู้สึกอย่างไรบ้างเจ้าคะหลีชิงถิงเอ่ยถามเสียงเบาร่างกายกําลังฟื้นตัวขึ้นทุกวันท่านไม่เป็นไรแล้วเจ้างวินฉงกล่าวพลางวางคางลงบนไหล่ของหลีชิงถิงน้ำเสียงเจอความอ่อนโยน ชิงพิงมีเจ้ากับเสี่ยหวันอยู่ด้วยแบบนี้ดีจริงๆการมีพวกนางอยู่ทําให้เขารู้สึกได้อย่างแท้จริงว่าเขามีบ้านแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพ่อแม่แก่ตัวลงเรื่อยๆและหลานชายทั้งสามก็โตขึ้นทุกวันเขาก็พลันตระหนักได้ว่าคนที่จะร่วมเดินไปกับเขาจนสุดทางชีวิตได้นั้นมีเพียงคนข้างกายผู้นี้เท่านั้นเจ้งางวินชงรู้สึกโชคดีเหลือเกินที่ได้พบกับสองแม่ลูกหลีชิงพิงข้าเองก็คิดเช่นนั้นเจ้าคดีเหลือเกินที่เราได้พบท่าน ลิชิงพิงระบายยิ้มบางๆก่อนจะนึกถึงเรื่องยุ่งยากที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขจนต้องขมวดคิ้วหากพวกเขาตั้งใจจะหาเรื่องครอบครัวเราให้ได้จะทำอย่างไรดีเจ้าคะไม่ใช่เด็กบ้านเราเป็นคนเริ่มหาเรื่องก่อนเสียหน่อยจะกลัวอะไรเจ้หวินชงหัวเราออย่างไม่ใส่ใจมีค่าอยู่ทั้งคนต่อให้ฟ้าถล่มลงมาค่าก็จะเย็นไว้เองเจ้าไม่ต้องกังวลไปหรอกค่ากังวลว่าเรื่องนี้จะส่งผลกระทบต่อท่านนะเจ้าข้าหลังฤดูใบไม้ร่วงจะได้รับการเลื่อนตำแหน่งหรือไม่ยังเป็นปัญหาอยู่เลย ต่อให้ไม่มีเรื่องนี้ก็ต้องมีเรื่องอื่นอยู่ดีคนอื่นอาจจะคิดว่าข้ามีพ่อเป็นถึงผู้เท่าเจิงเส้นทางในเขตทหารคงจะรุ่งโรยไร้อุปสรรคแต่ที่ผ่านมาข้าพึ่งพาความสามารถของตัวเองมาตลอดหากครั้งนี้ไม่ได้เลื่อนขั้นเป็นผู้พันก็ค่อยว่ากันใหม่คราวหน้าเจ้งหวินฉงปอบโยหลีชิงพิงด้วยน้ำเสียงราบเรียบที่หน้าประตูหลีหวานซึ่งตั้งใจจะนำน้ำผู้วิญญาณมาให้หลีชิงพิงได้ยินบทสนทนาของทั้งคู่ชัดเจนแววตาของนางไหววูบเล็กน้อยก่อนจะผลักประตูเข้าไปในห้อง แม่เจ้าขดื่มน้ำหน่อยเสี่ยววานทำไมป่านนี้ยังไม่นอนอีกเดี๋ยวรีบปลับไปนอนได้แล้วนะตอนนี้หลี่ชิงผิงเริ่มชินกับการที่ลูกสาวมาจะเอาน้ำมาให้ดื่มอยู่บ่อยๆแล้วนางเพียงคิดว่าลูกสาวเป็นห่วงจึงไม่ได้ติดใจสงสัยอะไรทราบแล้วคะ่ะลิวันหมุนตัวเดินออกจากห้องแต่ไม่ได้กลับไปนอนนางมุ่งหน้าไปยังเรือนเก่าเพื่อตามหาเจิงเ้งเซาซิงช่วงสองวันมานี้ความสัมพันธ์ระหว่างเจิ้งเซาหยางและเจิ้งเซาซิงค่อนข้างตึงเครียด ไม่มีเหตุผลอื่นใดนอกจากเรื่องที่เจิงเร้าอย่างตำหนิเจิงเร้าซิงที่ทำให้คุณปู่โกรธจนต้องเข้าโรงพยาบาล